Push in Boot อินบูธดินแดนห่างไกลออกไปมีเจ้าของโรงโม่กับลูกชายสามคนของเขาลูกคนเล็กสุดมาคิสเป็นลูกคนโปรดของเขามาเสมอแต่เมื่อเขาตายเขากลับมอบโรงงานให้กับลูกชายคนโตให้ลากับคนรองและให้แมวชื่อพุธกับคนเล็กลูกคนโตหัวเราะและปล่อยให้มาคิสเลี้ยงตัวเอง เขาผิดหวังและคิดว่าทำไมพ่อให้แมวกับเขาพุธฉันจะทำยังไงกับแกดีฉันแทบจะเอาตัวเองไม่รอดแล้วฉันไม่มีโรงโมลาก็ไม่มีฉันจะอยู่ยังไงหลังจากนั้นมีเรื่องวิเศษเกิดขึ้นที่ทำให้มาคิสตกใจไม่ต้องห่วงนายท่านผมช่วยนายท่านได้พุธนายพูดได้แมวกำลังคุยกับฉันหรือนี่ผมทาได้มากกว่านั้น พกกระเป๋ากับรองเท้าบูธก็พอผมจะทําให้ท่านเห็นว่าผมทําอะไรได้บ้างมาคิสตกใจไม่หายเขาสงสัยว่าเขาจะหารองเท้ากับกระเป๋ามาได้ยังไงแต่การเห็นแมวพูดได้ทําให้เขามีความหวังโอเคบูธฉันจะหากระเป๋ากับบูธให้หนายมาดูกันว่านายจะทําอะไรได้บ้างมาคิสเอาเงินนิดหน่อยที่เขามีไปให้ช่างทํารองเทา้าช่างรองเท้าแปลกใจที่ได้ยินคําขอของเขารองเท้าให้แมวเนี่นะ แน่ใจเหรอใช่แล้วผมขอละ่ะหลังจากนั้นพุชได้กระเป๋ากับรองเทา้าพุชนายได้สิ่งที่นายต้องการแล้วนายจะทำอะไรต่อก่อนอื่นผมจะหามื้อข้าให้เรากินพุชไปที่สถานที่ที่เขารู้ว่าจะจับกระต่ายได้เขาเอาแคอรอทกับพักกาดออกมาจากกระเป๋าและทิ้งให้มันเปิดเอาไว้เขาไปหลบเฝ้ารอหลังต้นไม้อีกไม่นานกระต่ายก็กระโดดออกมากินอาหาร พุธรีบกระโดดออกมาจากต้นไม้และมัดกระเป๋าได้แล้วเขาพากระต่ายไปหามาคิสนี่คือมือข้าเราพุธได้หากระต่ายมาได้ขอบคุณมากพวกเขากินอย่างอิ่มท้องและยังเหลือไว้กินอีกวันถัดไปแต่วันถัดไปพุธไม่พักผ่อนออกไปตั้งแต่เช้าไปจับกระต่ายเพิ่มโดยใช้แผนเดิมระหว่างทางกลับเขาตัดสินใจไปหาราชา แต่ยามเฝ้าวังไม่ให้เขาเขา้าให้ผมเข้าไปเถอะผมมีของขวัญให้ราชาผมมั่นใจว่าท่านต้องยินดีที่ได้เห็นของขวัญ น, นี้แน่ๆนแม้วใส่รองเท้าพูดได้ด้วยราชาต้องถึงแน่แนให้เขาเข้าไปเถอะพวกเขามองพุชเดินเข้าประตูเข้าปราสาทไปเขาเดินไปหาราชาราชนีและเจ้าหญิงและพูดออกมาทาให้พวกเขาตกใจท่านราชา ผมชื่อพุทธผมมีเจ้าหนายชื่อมาคิดแห่งคาร์มาสเขาให้หมอมฉันเอากระต่ายพวกนี้มาถวายให้ท่านโปรดรับไว้ด้วยเถิดโอ้แมววิเศษพูดได้เรายินดีมากที่เธออยู่ที่นี่ให้เจ้าของเจ้ารู้ว่าเรายอมรับของขวัญ น, นั้นและขอบคุณพวกเจ้ามาขอบคุณจันาทราจาเจ้าหญิงทรงทึ่ ง, งที่ได้เห็นแมวใส่บูทเราจะเรียกเธอว่า พุธอินบูธเฟรกลให้เขากลับไปอย่างอิ่มท้องนะเอานมเอาครีมที่ดีที่สุดให้เขากินเฟรกเบ่าวของราชาทำตามที่ได้รับสัง่งพุธกินครีมกินนมอย่างอาร่อยอร่อยและออกจากวังไปพุธกลับไปหามาคิสและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพุธอ <us> <laughs> ินบูธนายเจ้าราชวงศ์เล่าให้ฟังหน่อยว่าเจ้าหญิงเป็นยังไงบ้าง เธอสวยราวกับนมและครีมที่เธอให้ผมกินเลยนายท่านเสียงหวานและใจดีด้วยท่านต้องแต่งงานกับเธอให้ได้ฉันเหรอฉันเป็นเจ้านายของนายแต่ฉันไม่ใช่เจ้าชายนะเธอจะต้องแต่งงานกับเจ้าชายจากวังใหญ่เท่านั้นพุสไม่พูดอะไรแต่เขากลับเอากระต่ายไปที่ปราสาทให้ราชาทุกๆวันพุสอินบูธเริ่มดังไปเรื่อย แมวพูดได้แสนวิเศษที่ล่ากระต่ายให้เจ้านายและเอาของขวัญไปมอบให้ราชาห่างออกไปอีกที่ปราสาทใหญ่ห่างไกลมียักษ์ตนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็ตัวใหญ่มากที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ไม่มีใครมาควางทางเขาคนที่กล้าจะถูกกินแต่พูดกล้าพอที่จะไปหาเขาไปครอบประตูวังเม่ยักษ์เปิดประตูออกมาเขาหัวเราะเพราะว่าได้เห็นแมวตรงหน้าใส่รองเท้าบู๊ท <c oughs> นี่อะไรกันเนี่ยแมวใส่บู๊ดด้วยผมพูดได้ด้วยนะท่านโอ้พูดได้ด้วยเดี๋ยวนะเจ้าคือพูดหินุูย์ที่โดง่งดังใช่ไหมและท่านด้วยยักษ์ใหญ่ทรงอำนาจที่ทำให้คนวาดกลัวยักษ์ใหญ่พอใจมากที่ได้ยินว่าตัวเองมีชื่อเสียง เจ้าโถงดีที่ข้าไม่กินแมวเข้ามาได้เลยพุชเข้าไปในวังของเขาและยักษ์ก็สงสัยว่าเขาไปที่นั่นทําไมเจ้ามาทําไมผมได้ยินว่าท่านมีอํานาจวิเศษว่ากันว่าท่านแปลงร่างเป็นสัตว์ได้ทุกอย่างจริงหรือไม่ใช่แน่นอนขอดูหน่อยนะครับผมอยากจะเห็นหลังจากนั้นยักษ์แปลงร่างเป็นสิงโตที่ใหญ่และน่าเกรงขาม เ้าคำรามทำให้พุทธตกใจกลัวโอเคผมเชื่อแล้วปลร่างเธอครับฮฮฮเชื่อแล้วใช่ไหมครับผมเชื่อแต่ว่าอะไรเหรอแต่ท่านแปลงร่างเป็นสัตว์เล็กได้ไหมครับท่านตัวใหญ่เกินไปฉันแปลงร่างเป็นทุกอย่างได้ดูนี่นะและเขาแปลงร่างเป็นหนูตัวเล็กในพริบตา พุชรอเวลานี้มานานแล้วเขากระโดดกระโจนไปจับหนูแล้วกินฮ่าอิมจริงๆเลยเขาเดินออกมาจากวังด้วยความภูมิใจทุกอย่างเป็นไปตามที่เขาวางแผนไว้พุชกลับบ้านไปหาเจ้านายไม่มีกระต่ายหรือวันนี้นายท่านไปอาบน้ำที่แม่น้ำกันตอนนี้เหรอใช่ครับท่านไปเดี๋ยวเชื่อผมมาคิสลังเลแต่เขาก็เชื่อพุช และไปที่แม่น้ำเขาแก้ผ้าแล้วลงไปแม่น้ำพุดรีบเอาเสื้อผ้าของเขาและไปซ่อนไว้หลังหินในตอนนั้นทางไกลๆที่รถของราชาจะผ่านไปเขารู้ดีว่าราชาจะนำรถม้าเดินผ่านทุกสัปดาห์สัปดาหละครั้งเขาไปรอดักรถมา้าและร้องดังช่วยด้วยช่วยด้วยรถม้าหยุดราชาเดินออกมาเพระจาเสียงคุนค้นๆได้พุมาทาอะไรที่นี่ ท่านราชาช่วยนายท่านของผมฉันด้วยมาร์คิสแห่งคาร์บัตเขาอาบน้ําที่แม่น้ําและมีคนขโมยเสื้อผ้าของเขาไปมันหนาวมากอีกไม่หนาวนายท่านของผมต้องป่วยแน่เลยยอมเอาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดไปให้มาร์คิสแห่งคาร์บัสด้วยให้เขาตัวแห้งมีเสื้อผ้าใสาและอบอุน่นยามรีบไปที่แม่น้ําพร้อมกับเสื้อผ้าหรูหราไม่นานเขาก็เจอมาร์คิส นายของพุชอินบูธยามดูแลเขาหลังจากนั้นเขาก็น่าตาเหมือนเจ้าชาที่ใส่ชุดราชาเจ้าหญิงมองออกมาจากรถมา้าและมาคิสจะเห็นเจ้าหญิงเป็นครั้งแรกโอ้มาคิสเห็นคาราบาสัสเหล่าเหล่าจังเลยเจ้าหญิงเธอน่ารักเหมือนที่ฉันคิดไว้เลยมาคิสรีบมาทำความเคารพราชาขอพระทัยที่เมตตาพะยายค่ะท่านราชาไม่ฉันเอง ดีใจที่ได้เจอมารคิตแห่งคารมัสสักทีเรามีความตุกกับของขวัญที่เจ้าให้เราทุกวันเอาละเรามีอะไรต้องคุยกันเนยอะก่อนอื่นให้เราพาเจ้าไปตรงที่บ้านนะพุธที่กำลังดูเหตุการณ์ทุกอย่างก็คุยกับราชาขึ้นมาท่านราชาเราเยะดีมากที่จะพาท่านไปที่พระราชวังของนายหม่อมฉันใช่ไหมนายท่านมาคิสมองที่พุธอย่างแปลกใจวังของเราเหรอหพุธพยักหน้า และมาคิสก็สับสนเขาตัดสินใจที่จะเชื่อพุธอีกครั้งพระยาค่าท่านราชาหม่อมฉันขอต้อนรับท่านไปทานอาหารที่ปราสาทของหม่อมฉันเงินเราก็ไปกันได้เลยมาคิสขึ้นรถมา้าและพุสก็วิ่งนำรถมา้าพวกเขาเดินทางไปที่ดินแดนที่เป็นของยักษ์ยักษ์มีชาวนาหลายคนที่ทำงานให้เขาพุธเจอเหล่าชาวนาแล้วเตือนพวกเขา ระวังไว้นะราชากำลังมาถ้าราชาถามว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าต้องบอกว่ามันเป็นของมาคีธแห่งคารบาบัตถ้าไม่พูดแบบนั้นราชาตัดหัวพวกเจ้าแน่ชาวนากลัวเลยพยักหน้ายอมรับรถม้าของราชาเดินทางผ่านที่ดินของยักษ์ไปราชามองไปที่ชาวนาและเรียกพวกเขามาที่ดินนี้เป็นของใครเจ้าทำงานให้ใครมาคีธแห่งคารบาบัตพยาาักคะ ราชากับครอบครัวประทับใจที่ได้ยินแบบนั้นผู้ยิงยหญ่แหงคาร์บัสเจ้ามีที่ดินที่สวยมากขอบคุณพะยะค่ะเมื่อรถมาไปถึงวังของยักษ์เพอสก็พร้อมที่จะต้อนรับพวกเขาเขาเตรียมการทั้งหมดเอาไว้ราชากับครอบครัวและมาคิสลงจากรถมาและเบื่มพระราชวังมากว้าวประสาทรลศมากใช่เลย หลังจากนั้นมาคิสรู้ว่าต้องตามแผนพูดว่าเป็นวังของเขาท่านราชายินดีต้อนรับตัววังของหม่อมชั้นวังแห่งคารบาบัสมาทานอาหารกับเรานะพะยะค่ะวันนั้นมาคิสกับพุชอินบูตต้อนรับครอบครัวของราชาด้วยอาหารเต็มโต๊ะพุชกับคนใช้ของยักษ์เสิร์ฟอาหารที่ล้ำเลิศให้ทุกคนมาคิสกับเจ้าหญิงมองหน้ากันไม่หยุดเช่นเดียวกับราชาและราชินี เขารู้ว่าพวกเขาได้เจอชายที่ดีสําหรับลูกสาวราชาคุยกับมาคิสและผู้สิ่งที่มาคิสไม่คิดว่าตัวเองจะได้ยินมาก่อนลอร์ดมาคิสข้าขอเจ้าในฐานะพ่อไม่ใช่ฐานะราชาแต่งงานกับลูกสาวข้าได้ไหมท่านราชามันจะเป็นเกียรติของหม่อมฉันอย่างมากเลยพะยะค่ะมาคิสกับเจ้าหญิงได้สำลักกันหลังจากนั้นและลูกชายของเจ้าของโรงโมกลายเป็นเจ้าชายทันที มาคิสรู้สึกขอบคุณพ่อที่ทิ้งแมวไว้ให้กับเขาพุชอยู่กับเจ้าหญิงและเจ้าชายและใช้ชีวิตอย่างหรูหราที่ปราสาทเขาไม่จำเป็นจะต้องออกไปล่ากระต่ายอีกต่อไป